ในคำพีนะบอกพวกผู้ดีแครนะ์พวกเศรษฐีลูกเศรษฐีเลยนะมีประสาทสามฤดูอยู่นะถ้ามาอยู่เมืองไทยมันไม่รู้จะขึ้นประสานไหน <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ฤดูไหนเนาะตอนนี้มีแต่ของไม่เที่ยงไม่เที่ยงตลาดโลกข้างนอกคุมมันไม่อยู่กิเลสคนมันเยอะ <c oughs> บริโภคเยอะไหมแข่งกันบริโภคมาก ม, ากมใช้ทรัพยากรเยอะประเทศมหาอำนาจนะั้นมันบริโภคพลังงานมหาศาลเลยของเราก็บริโภคพลังงานตัดต้นไม้ไปหมดลนะแต่แถวนี้ปีนี้สองปีนี้ป่าไม้แถวนี้ถือว่าเก่งรักษาภูเขาให้ไฟไม่ไหม้เ้ไฟไหม้ทุกปีทุกปี สองปีนี้เก่งต้องยกย่องเลยวันข้างหน้าอยู่วันยากอยู่ลำบากทรัพยากรก็ไม่ค่อยเหลือแล้วที่ผ่านมาเรามักง่ายพัฒนาแบบมักง่ายทำลายทรัพยากรไปหมดแข่งกานผลิตมากมากใช้ทรัพยากรเยอะ ภูมิใจกับตัวเลขอะไรนะเรียกอะไรลืมแนละ้ว gdp gnp ภูมิใจมากเลยคนจนลงเรื่อยๆดูดูคนในโลกมันตกเป็นเหยื่อเราถูกความอยากเขาจับจุดได้แล้วต้องยั่วให้เราอยากแล้วเราจะซื้อเขาไปกรุงเทพนั่งรถผ่านมอเตอร์เวย์มานะ มีแต่ป้ายชวนให้อยากทางนั้นเน่อยอยากโน้นอยาก น, น, ากนี้ตลอดทางมันไม่ค่อยมีธรรมะให้เ ด, วดวูดังั้นถ้าเราไม่มีปัญญารู้เท่าทันเราก็ตกเป็นเหยื่อทำงานเหนื่อยแทบตายเลยเพื่อจะบริโภคของที่ไม่จำเป็นต้องบริโภคเยอะแยะเลยบางอย่างหลวงพ่อก็ตามโลกไม่ทันนะงงๆ พฤติกรรมของชาวโลกอย่างซื้อโทรศัพท์มือถือมาแชทไม่เข้าใจจริงๆไ ม, ไม่พูดแล้ว <c oughs> <c oughs> จิ้มจๆจ <c oughs> ไม่เข้าใจจริงๆเรื่องนี้โทรศัพท์เอาไว้พิมพ์ แล้วคนเดี๋ยวเนี้พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องเนละก็พิมพ์เคยเห็นที่เขาพิมพ์กันนะ่ะอ่านเขาไม่รู้เรื่องอีกชีมีชีมีมอะไรเหมืนอนอ้าวหายง่วงยังหายง่วงแล้วฟังธรรมะต่อพยายามอย่าเป็นเหยื่อนะคอยรู้ทันใจของเราไว้แล้วควรรู้ทันใจตัวเองนะ กิเลสหลอกใจเราไม่ได้คนอื่นหลอกเราไม่ได้หรอกรู้ใจตัวเองบ่อยๆคนอื่นมันได้แต่ยั่วให้เรามีกิเลสถ้าเรามีกิเลสแล้วกิเลสนหลอกเราถ้าเ็าวางแผนดีนะเขายั่วให้เรามีโลภอยากได้แล้วเราก็ตกลงใจไปซื้อของเขาเองลองสำรวจในบ้านเรามีของอะไรที่เราไม่เคยใช้เป็นปีมาบ้างมีไหม อะไรไม่ได้ใช้ใสัปีหนึ่งนะแจกแจกไปบ้างก็ได้นะบางบ้านไม่มีที่อยู่เลย <c oughs> บ้านพี่สาวหลวงพ่อเอง <c oughs> แต่นั้นก็ชอบไม้แต่ก่อนทุกปีนะไปงานราชทรรมไปซื้อไม้อันใหญ่ๆมาต่อมาไม้ใหญ่ๆไม่มีนะเขาเอาต่อไม้มาขายแกก็ซื้อต่อไม้มา ตัดไม้มีรากมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวนี้ตัดไม้ก็ไม่มีขายละขุดมาขายหมดละที่บ้านแกนะแกเอาตัางค์ทั้งหลายที่แกซื้อมานะซ้อนซ้อนซอนชนเพดานเลยชั้นล่างเนี่ยเหลือช่องเดินแค่เนี้ยต้องเดินให้เป็นนะเดินไม่เป็นไนอะ้กิ่งไม้ไมันจะทิ่มลู ก, กตาเอา ตอนแกสาวๆให้ถามแกซื้อไว้ทำอะไร่ะเผื่อเอาไว้ใช้ตอนนี้หกสิบกว่ายังไม่ได้ใช้เลยในบ้านแต่ละบ้านนะมีของพวกนี้ซ่อนๆอยู่เราสำรวจด้ไม่เกิดประโยชน์อะไรไปซื้อมามากๆเขาต้องผลิตมากใช้ทรัพยากรเยอะ <c oughs> พุทธเจ้าสอนพระนะสร้างพระสร้างสังคมสงขึ้นมา ให้เป็นตัวอย่างสังคมที่บริโภคน้อยผลผลิตเยอะพระต้องมีผลผลิตอย่างน้อยผลิตคุณธรรมในตัวเองภาวนาให้รู้เรื่องแล้วไปทาประโยชน์ต่อสังคมได้ไปบอกต่อได้สังคมมันร้อนโลกมันร้อนพระก็เปมีหน้าที่ศึกษาธรรมะเอาไปให้โยมบ้างตอบแทนบุญคุณที่โยมเลี้ยงข้า โยมก็ได้รับธรรมะตอบแทนบุญคุณโดยการเลี้ยงข้าวพระนี่ให้เราทำตัวให้มีคุณค่าคุณค่าทางโลกแล้วทางานของเราทาหน้าที่ของเราไปรู้จักบริโภคพอสมควรมีชีวิตที่เรียบเรียบง่ายๆชีวิตที่เรียบง่ายมีความสุขชีวิตที่ซับซ้อนเกินไปไม่มีความสุขเครียด บางคนน่างสารนะพไป เ, เจอไปไหนเขาต้องหิ้วกระเป๋าใไบไมีมือถือหลายเครื่องพกไม่ไหวนะพบไมไ่ใส่กระเป๋า <c oughs> เวลามันดังที <c oughs> อันนะไม่รู้ตัวไหนร้องมีปากเดียว <c oughs> มันจะพูดอะไรนักหนานะแล้วถ้าเรารู้จักมีชีวิตที่ธรรมดาธรรมดานะ ชีวิตอยงสงบสุขยุคเรานะหาความสงบสุขยากชีวิตเราเกินธรรมดามากไปแค่จะตายอย่างตายยากเลยนะคนรุ่นเราเนี่ยลาบากอย่างเวลาเราจะตายนะแทนที่จะได้สตายสบายๆก็เจาะโน่นเจาะนี่เต็มตัวเลยนะเจาะได้ที่แล้วก็ตาย <laughs> ดูกระทั่งจะตายนะยังไม่มีสารภาพเลยมันบริโภคมากนะบริโภคสายยางเข้าไปเต็มตัวเลยอะไรที่ธรรมดาธรรมดานะสบายอย่างคนเราจะตายตายตามธรรมชาตินี่ไม่ทรมานมากนะธรรมชาตินี่ช่วยเราพอสมควรเลยแนะเจ็บมากก็สลบไปไม่เจ็บลนะนะกินข้าวไม่ไหวเดินไม่ไหวแป๊บเดียวก็ตายละ ไม่ทรมานไม่ต้องนอนให้คนมาพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่20ปีแล้วค่อยตายได้ไปเกิดใหม่นะวิ่งปลอไปแล้วลำบากมากเลยชีวิตทุกวันนี้นะเราอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาดีที่สุดเลยคำว่าตะบะตาบะตะบะใครได้ยินไหมตะบะตาบะ แผดเผากิเลสหลวงพ่อชอบท่านเจ้าคุณประยุทธ์นะท่านแปลว่าซิมเพิลไลฟ์จะแผดเผากิเลสได้นะไปทำชีวิตซับซ้อนไม่แผดเผาหรอกเรามีชีวิตที่ธรรมดาคนเราต้องการอาหารวันหนึ่งไม่มากนะเราลองไปนับดูวันหนึ่งเรากินข้าวจริ ง, รงๆกี่คำรู้ไหมเคยนับไหม ลองไปนับดูสิว่ากินข้าวจริงๆวัละกี่คากินะอาหารนิดเดียวใช้เสื้อผ้าจริงๆวัละเท่าไหรนะ่อยู่บ้านวันละกี่หลัง <c oughs> นอนทีละกี่เตียง <c oughs> นั่งรถทีละกี่คันนะแล้วความโลภมันไม่มีลิมิตนะมันทำให้เราลำบากเป็นนี่เป็นสินมากนะ ชีวิตไม่มีความสุขเป็นธาตุเป็นาธนาตุทางเศรษฐกิจนั้นอยู่กับโลกอยู่เลยมีสติปัญญารู้ทันใจตัวเองไว้กิเลสอะไรเกิดรู้ทันไว้รู้ทัน ไ, นไว้เราจะมีสติปัญญาไปอยู่กับโลกได้สบายไม่เป็นเหยื่อส่วนใหญ่นั่นก็ชอบยอมมันยอมจำนวนยอมเป็นเหยื่อ เมื่อก่อนจะบวชหลวงพ่อเคยฟังเพลงรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกเซอร์เ่าไมูเอ้าส่งกันบ้านส่งกันบ้านเชิญนัมัสการหลวงพ่อครับช่วงนี้ปัจจัยภายนอกทั้งต่างประเทศและในประเทศรุนแรงมากกระทบจิตใจทำให้ สลดแลก็กังวลบ้างพาะเห็นว่าภัยใกล้ตัวเข้ามาทุกทีมเมื่อคืนอยู่วัดก็สวดมนต์ไหว้พระได้จงคมจิตใจก็ยังไม่ไมสงบหลงคิดเรื่องต่างๆไปจนทังเมื่อคืนนอนก็ยังฝันก่อน้ตืต่นอีกตอนนี้ก็คงพยายามทำใจให้สงบแล้วก็ วันนี้หลวงพ่อเทศรู้สึกเจตยตองมากก็จะรับไปปฏิบัติดีเหยมใครนั่งหน้าหน้าก็มักจะเทศเอาใจคนนั่งหน้าหน้า่จริงๆเรามีภัยใกล้ตัวนะเราแก่ขึ้นทุกึกทีทุกทีนะเราถูกความแก่บีบคั้นตลอดเวลาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยไล่ตามหลังเราอยู่ตลอดเลย ทีก็ตามทานันบางทีก็หนีมันได้หน่อยหนึ่งเดียวมันก็ตามมาอีกแล้วเรามีความตายเป็นภัยใกล้ตัวใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะซูนามงซูนามิมันอยู่ที่อื่นยังห่างเลยในภัยใกล้ตัวนี่อยู่กับตัวสุดท้ายตายทุกคนเลยนะเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดเลยเรามมโหงปรมมนูมันรั่วเราห่วงนะรู้สึกภัยจะมาถึงตัวแล้วยังอยู่ไกล มันไผ่ใกล้ตัวความแก่ความเจ็บความตายใกล้ตัวที่สุดเลยแล้วก็ภัยใกล้ใกล้หนักเข้าไปอีกนะใกล้ใจภัยที่เข้าถึงจิตถึงใจเรามีกิเลสทั้งหลายเป็นไัยนะมันย่ำยีทำให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบชีวิตเต็มไปด้วยความเร้าร้อนนั่นศัตรูจริงๆมันอยู่ในกายในใจในท่านในขันของเรานี่แหละเรียนรู้ตัวนี้ให้มากเลย ถ้าสู้ศัตรูตัวนี้ได้ภัยอื่นๆไกลไปหมดแล้วไกลห่างไกลหมดเลยใครเขาจะลบกับประเทศไหนนะฉันยังหายใจอยู่ฉันยังอยู่ยังไม่โดนลบด้วยแต่ความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการได้เจอสิ่งที่ไม่รักการประสบความทุกข์การไม่สมปรารถนาความโศกเศร้าร่ำไรราพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่ไผใกล้ตัวเท่านั้นเลยใกล้จริงๆนั่งใกล้จนเข้าถึงตัวเราเลยตลอดเวลาป้องกันให้เต็มที่นะก็ป้องกันมันไม่ได้อย่างสาวๆเนี่ยป้องกันความแก่กันเต็มที่แนละ้วสุดท้ายก็ต้องโปรงตกลงไม่ตกก็ไม่ไหวนะสังขารไม่อํานวยบางคนดูตึงไปทั้งตัวเลยแต่เวลาจะลุกต้องลุ ก, ลกคล้ายๆหลวงพ่อ <c oughs> ลุกไม่ค่อยจะขึ้นอย่างเงี้ยนะ นี่ภัยใกล้ตัวนะใัรอยู่กับตัวเลยเนี่อภัยเข้าอยู่ในหัวใจเลยโหน่ากลัวที่สุดเลยผู้ร้ายอยู่ในบ้านภาวนานแล้วจะเห็นนผู้ร้ายอยู่ในบ้านใครเคยเห็นบ้างผู้ร้ายในบ้านร้ายจริงนะมันนึกว่าเป็นบ้านเราเนี่ยดีดีสะอาดหมดจดโูผู้ร้ายซ่อนอยู่ว่าไป ก, การรสการหลวงพ่อคะ่ะปีห้าสี่ก็ ตั้งใจก็ทําให้ศรัทธากับปริยะดีขึ้นดีสินดีขึ้นแล้วก็สมาธิปัญญาก็ยังไม่แน่ใจว่าสมาธิเราก็ฝึกไปนะจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้ไปรู้เนี้มานะตาก็ยังเยอะอยู่ดีที่เห็นเมื่อก่อนก็มีแต่ไม่เห็นนะเพราะงั้นต่อไปนี้เราจะน่ารักมากขึ้นละกิเลสก็ยังมากขึ้นดีที่เห็น ม่ทราพ่จะมีค้อแนะนำอะไรไหมคะยมเห็นได้เห็นกิเลสได้ดีที่สุดแล้วละคอยรู้ทันนะเห็นผู้ร้ายในบ้านเดี๋ยววันหนึ่งผู้ร้ายอยู่ไม่ได้อะแลถ่ากรับนมัสการเจ้าค่ะเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่มาที่วัดครั้งแรกอะเจ้าค่ะพระอาจารย์บอกว่าถ่าซึมแล้วก็ไปกดเอาไว้ค่ะตอนนี้ สภ า, าวะตอนนี้เนี่ยถาว่ามันไม่ไม่กดเท่าไหร่แล้วดีขึ้นนะเจ้าค่ะเขาก็ไปหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรความโลภมาอันดับแรกนัออ่นแหละถึงบอ ก, บอกน ะ, ะเพ่งมาจากโลภแหละเจ้าค่ะมันจยากทำอยากได้อยากดีเจ้าค่ะก็เลยพยายามทำํำพอทําไม่ได้อย่างใจพยายามไปกดมันแล้วก็มีโทสะค่ะสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นซึมอย่างที่บอกเจ้าค่ะแล้วก็พอ มันไม่ได้ก็เลยลองลดลดดูบ้างนะคะไปทมันไม่มีแรงก็เลยไปทำสมาธะไปลองทำสมาธิเนี่ยก็ยังคิดว่าทำไม่ถูกเท่าไหร่นะเจ้าคะเราก็เลยมานั่งนึกว่าพระอาจารย์เคยสอนว่าสมาถิเนี่ยจิตเราจะสงบได้เนี่ยเราต้องมีความสุขนะเจ้าคะเถาก็เลยไปเดินเล่นมชมชมวัด พอจิตเรามีความสุขเนี่ยมานั่งแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีความสุขมันก็จะสงบได้นี่นยแหละเคล็ดลับาามันอยู่ที่นั่นเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่แถาอยากกราบเรียนถามก็คือแถาเดินจงกรมสักพักหนึ่งนะเจ้าค่ะแล้วเสร็จแล้วมานั่งมานั่งสมาธิต่อพอนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่าตัวเราเอียงเอียงเอียงเอียงแล้วก็โยกโยกโยกแต่แต่รู้สึกตัวเจ้าค่ะแล้วก็ พอลืมตาขึ้นมาเราก็ไม่ได้ง่วงพอนั่งต่อไปอีกมันก็เอียงอีกมันก็โยกอีกเจ้าค่ะแต่ภาวะเนี้ยเคยเกิดแล้วคือมันเหมือนเราเข้าสมาธิแต่ว่าเขาร่างกายมันไปของมันเองไปของมันเองจนออกมามันก็สดชื่นเจ้าค่ะไม่สําคัญหรอกนะเจะนั่งสมาธิทิ้งกายไปท่าไหนก็ช่างมันสําคัญที่ใจเจ้าค่ะไม่ขาดสติมีความสุข สงบอยู่ในอารมันเดียวแว่าไม่ไม่ผิดอะไรเจ้าค่ะเพราะฉะร่างกายช่างมันเถอะแต่อย่าให้มันลุกขึ้นลำก็แล้วกันมากไปหน่อยยังไม่ถึงเจ้าค่ะที่ที่เถวปฏิบัติมาเนี่ยยังมียังมีผิดมากผิดน้อยอันใดที่ผิดมาก ขอกราบความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอบรมสั่งสอนด้วยเจ้าค่ะสิ่งที่ผิดมากๆก็มีความสุดโต่งสองอันแต่จิตมันจะสลับกันไปสลับกันม า, าห้ามมันไม่ได้ถ้ารู้ทันก็ไม่ผิดถูกหรือผิดอยู่ที่รู้หรือไม่รู้หรอดีหรือไม่ดีอยู่ที่รู้หรือไม่รู้นะเจ้าค่ ะ, คะนั่นแขอกราบถวายการปฏิบัติเป็นพุทธบูช า, าเป็นนะอาจารย์อาจาริยาบูชานะตลอดไป ชอบนะกลับนมรส ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่วัดเนี่ยบางช่วงหนูรู้สึกเหมือนมันนิ่งๆแต่มันกดๆแต่ว่าช่วงที่มาอยู่เนี่ยบางครั้งมันก็รู้สึกโปร่งโล่งเบาสบายดีค่ะก็วันก่อนเนี่ยเมื่อคืนเมื่อคืนตอนที่เดินเดินจงกรมอยู่เราก็พยายามบริกรรมอิติปิโสควบไปด้วย แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยมันเหมือนใจมันไม่เอาอ ม, มันมันมันไม่อยากผับบริกรรมอะไรแล้วก็ก็ฝืนอยู่สักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบก็เลยทิ้งไปแล้วก็เดินเฉยๆอันนี้คือไม่ทราบว่ามันโดน แ, แล้วสงบไหมเรารู้สึกว่าสงบอืเราคิดว่าค่ะอ <laughs> แต่ก็พอมันรู้สึกไม่ไม่ขัดอะไรก็ก็ไม่ว่าอะไรเขาเขาก็เดินของเขาต่อไปอถก็ ม, มีสติอยู่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะขาดสติก็ผิดนะค่ะ แล้วก็ทีนี้ขอเรียนถามอีกเรื่องนึงค่ะนี่พอตอนที่เดินจงกรมจนเมื่อยเราก็มานั่งใช่ไหมคะแล้วพอเรานั่งเนี่ยเราคือพยายามที่จะคือจะไม่หลับตาเพราะว่าถ้าหลับตาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเคลิ้มไปนีพอหนูจะลืมตามองเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเหมือนมันหนักหนั ก, ก็คือมันจะหนักหนักเรื่อยๆอะค่ะก็ต้องลุกขึ้นเดินใหม่ลุกขึ้นเดินใหม่เสร็จรก็มานั่งคะ่ะอะไรหนัก ตามันหนักอะค่ะมันเหมือนมันจะหลุดออกไปให้ได้มันเหมือนมันจะมันจะว่าหลับก็ไม่ใช่มันเหมือนมันมันหนักที่ตาค่ะเราก็เลยลุกขึ้นเดินใหม่เสร็จก็มานั่งใหม่ก็ยังไม่หายอะค่ะอันนี้ไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะอะไรคะไม่รู้เหมือนกันช่างมันไปเลยช่างมันนะคะดูไปเลยตาไม่ใช่เราเดินปัญญานะหัดฝึกเดินปัญญาให้เยอะๆเลย <ambiente> นะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราลูกตาไม่ใช่ตัวเราในนี้แรกๆก็ใช้ใจน้อมไปก่อนหรือป่าคะใช่ใช้น้อมพิจารณาเอานะไม่งั้นมันไม่ขึ้นปัญญาสถิค่ ะ, ะ, คะแล้วก็ขอถามอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือมีอยู่ครั้งหนึง่งตอนระหว่างดั่งฟังหลวงพ่อเทศนะคะจุๆเนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนภาพที่ตาเราดับไปเออนั่นละปกติอันนั้นปกตินะคะปกติแต่เราไม่เคยเห็นใช่ค่ะไม่เคยเห็นค่ะ เราก็แบบเอ้ยต้องไปหาหมอหรือเปล่าไม่ต้องนะคะไม่ไม่เป็นไรปกติตามองเห็นรูปเนี่ยเห็นขนาจิตเดียวนะแล้วก็ดับปับลงไปแล้วไปดูใหม่เห็นใหม่ลองมองหน้าเถาดูก็ได้ยังเห็นไหมเราเห็นชัดแว็บเดียวอ่ะแต่คนเห็นแล้วแทนที่จะเห็นหน้านะกับเห็นสุภาพเห็นอะไรกันเราตาตาเราเห็นรูปได้แว็บเดียวแล้วแล้วเราต้องมาปรับตาใหม่แล้วก็ดูใหม่ ย่งเราดูหน้าคนคนหนึ่งสังเกตไหมเดี๋ยวมองตาซ้ายเดี๋ยวมองตาขวาวเราเราก็ แ, แบบต่อจิกซอนะอแล้วอาศัยสัญญามารวมภาพทั้งหมดเข้ามาแล้วก็สรุปเลยนี่แหละเถาเนี่ยอย่างนี้ถ้าเวลาหนูสังเกตก็คือหนูก็ดูอย่างนั้นไปได้เลยใช่ไหมคะว่าบางทีไม่จงใจนะไม่จงใจเออจะจงใจจงใจแล้วก็เครียดไปอา้าววันนี้คคใครมาไกลๆบ้างใครมาจากญี่ปุ่นมีไหม ให้โอกาสก่อนชีวิตไม่แน่นอนใครจะคุยกับหลวงพ่อตามความจาเป็นเอาจำเป็นนะไม่ใช่ตามอยากนะเบอร์ยีนอนอยู่นอนอยากได้การบ้านมากกว่าครับอยากอะไรนะอยากได้การบ้านครับคือตอนตอนนี้รู้สึกว่าภาวนาได้ดีคือจากสภาวะเดิมที่ไปรู้อารม์แล้วมีการดิ้นรนอยากได้หรือปฏิเสธตอนนี้เนี่ย ความรู้สึกมันก็คือว่าความรู้สึกที่มันมีอ่ะมันยังไงเราไม่ได้เป็นเจ้าของของมันเพราะฉะนั้นเห็นเลยมันก็ดับดูความรู้สึกมันเคลื่อนไปเนาะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงครับเอย่าให้มันนิ่งอยู่ที่เดียวก็แล้วกันครับเห็นตัวอย่างเกิดแล้วดับถึงจะใช้ได้คขอบพระคุณครับเก้าสิบห้าช่วงหลังนะครับช่วงนี้ครับเวลาที่มันรู้สึกตัวฮะมันตอนนี้มันจะไม่เลือกว่าไปรู้กายหรือว่าไปรู้จิตแต่ว่า มันจอรู้ทั้งตัวเลยครับมันเหมือนกับว่าผมเห็นคนคนนี้ยเป็นคนอื่นเราเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้มีความสุขความทุกข์แบบนี้ได้ก็รู้เป็นครับไม่มีเราหรอกนะดูมันดูคนอื่นนะดีแล้วครับแต่ไม่จงใจนะครับถ้าจงใจดูแบบดึงจิตออกมาแล้วมาดูทั้งตัวจิตจะแข็งแข็งใช้ไม่ได้เวลาที่มารู้แบบเนี้ยครับมันเกิดจากมันเจอจากตอนที่จิตมัน มันหลงลงไปใ น, ในกิเลสอะครับพอหลงไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยเหมือนก็จะสุดแล้วมันแบบมันจะตีตัวออกมาแล้วมันก็จะแยกมาอย่างเงี้ยครับเออได้ให้มันแยกก็แล้วกันครับถ้ามันแยกเองก็ใช้ได้นะครับดีดีขึ้นเยอะแล้ววิครับร้ <14. S 2> อยหลวงพ่อบอกว่าถ้าหมดเวลาก่อนก็ไม่ได้หนูก็โอเคแล้วแค่ว่าจะเรียนถามหลวงพ่อว่าหนูยังภาวนาอยู่ในทางหรือเปล่าครับ จิตถึงฐานไหมก็ไม่ค่อยถึงค่ะอืมไม่ถึงฐานก็อยู่ริมทาง <c oughs> ไม่ถึงฐานนะค่ะ <c oughs> <c oughs> ยังดีอยู่ริมทางไม่ออกนอกทางไป <c oughs> ให้จิตอยู่ถึงฐานจริงๆนะรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่น ไ, ม, <c oughs> ไม้ค่อยตั้งขึ้นมา <c oughs> ทุกวันก็บริกรรมไปบ้างอะไรบ้างให้จิตมีเครื่องอยู่จะได้มีแรง ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยจิหนีนานไม่ดีคือขออนุญาตนิดนึงค่ะหลวงพ่อคือทําในรูปแบบแล้วจิตใจก็ไม่มีกําลังเลยลจะบอกว่าไม่มีกําลังเลยหนูขอประทานโทษอาจจะพูดผิดคือเหมือนกับว่าทําแล้วก็ไม่ได้ทำอะค่ะเป็นมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็เลยใจมันคง<ข>เคลื่อนไหม่ไว้ยัง เคลื่อนไหวก็คือทําในรูปแบบนี้ก็เดินจงกรมประมาณนี้เดินไปนะดีไม่ดีก็ช่างมันะก็เห็นร่างกายนี้เดินไปด้วยต้องทําเนาะค่ะขอบพระคุณค่ะร้อยยี่สิบหกรอยี่สิบหกรบกวนส่งกันบ้านครับไม่กวหรอกนะเป็นหน้าที่คือผมเมื่อก่อนนี่นั่งเข้าสมาธิเนี่แล้วก็ออกมาแล้วก็เลิกเลยแล้วก็หลังจากฟังหลวงพ่อบอกว่า ไม่ควรจะทิ้งนะฮะก็เลยนั่งดูครอนนี้เนี่ยมันจะมีตั ว, วเวทนาที่มันเด่เอก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีความอยากที่จะเอาชนะเขานะฮะก็เคยคิดว่ายอมตายแล้วก็ตายทุกทีนะฮะคราวนี้เนี่ยคือมีความรู้สึกว่าก็อยากจะเอาชนะเขาเรื่อยๆมันมีวันหนึ่งเนี่ยมันเหมือนสปริงมันดีดมันมีความรู้สึกว่ามันยอมะฮะว่ามันยังไงมันสู้ไม่ได้ทุกครั้งอ่ะฮะคราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า เราเห็นอะไรบางอย่างที่มันแยกจากมานะฮะซึ่งสักพักนึงถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมันคือเวทนาแล้วก็ผู้ผู้รู้เวทนาเนี่ยมันมันห่างมันเหมือนน้ํากับน้ํามันนะครับคือเราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจิตมันมันมันสว่างอแล้วมันรู้สึกว่ามันเข้าไม่ถึงแต่ว่าเวทนามันมีอยู่เยอะมากใช่จนกระทั่งมันขึ้นหัวขึ้นทั้งตัวแล้วก็ มันมันจะดูขึ้นๆลงๆจนกระทั่งมันลดลงไปท่าน <c oughs> นี้เนี่ยก็ก็มีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับว่ามีความเป็นกลางที่ <c oughs> ไม่เข้าไปแตะมันนะครับครานนี้ก็นั่งอยู่เรื่อยๆท่าน <c oughs> นี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเราไปเคยดูอาการของเขาะฮะอาการของจิตครานนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเร า, เราเจออะไรบางอย่างแล้วก็ตอนนี้ผมเลยอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในทางหรือเปล่าถ้าเกิดว่า อยู่นะแต่ว่าจิตเป็นยังไงไม่ว่ามันนะไม่ใช่ต้องเหมือนกันต้องดีตลอดดูไปทุกอย่างเหมือนน้ำกับน้ำมันนะแยกชั้นกันไปครับแต่ว่าไม่ประคองให้แยกชั้นเ้าอยากเองใช้ได้ที่ทำอยู่ใช้ได้หรอกขอบคุณครับสังเกตอยู่นิดนึงไปสังเกตเพิ่มนะจิตถึงฐานจริงไหมนะไปดูให้ดีนะมันสบายมันโป่งมันโล่งมันสบายอยู่นอก อยู่หน้าหน้านะถ้าจิตไปอยู่โปลง่ลงโล่งสบายสบายอย่างเดียวเลยเขาเนี้ยแต่มันไม่ยอมย้อนมาดูกายดูใจไม่เห็นทุกข์นะแต่หลวงพ่อถามอีกข้อหนึ่งดูจิตหรือว่าส่งจิตไปดูแน่คือจริงๆผมเพิ่งเพิ่งอยู่กับเขาได้ไม่นานนะฮะซึ่ ง, ซ, งซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะเพ่งนิดนึงฮ ะ, ะแล้วก็มันรู้สึกว่ากดไปไปสังเกตตรงนี้นะครับเวลาที่เราไปรู้สภาวะอะไรภายในของเราเนี้ยจิตเราเคลื่อนไปดู เนี่ยจิตมันไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูจริงแต่มันถลําลงไปดูนะครับระวังตัวนี้ไหมครับขอบคุณครับใครรู้ทันนะไม่ใช่บังคับว่าห้ามถลําหรอกแค่รู้ว่ามันถลําลงไปมันถลําไปดูถลําไปฟังถลําไปคิดถ้ารู้ตัวนี้แล้วจิตจะถึงฐานอาเชิญเบอร์อะไร น, นะ7จบสมหรือเปล่านมัสการหลวงพ่ อ, อมผมมาส่งการบ้านหลวงพ่อสักปีกว่าแล้วนะครับที่ผ่านมาก็ คิดว่าเห็นกิเลสมากขึ้นแล้วก็บ่อยอขึ้นนะครับดีสินะครับทีนี้ก็แต่ว่าฟังคือฟังซีดีอะไรต่างๆนั้นเนี่ยก็เห็นว่าคนที่มาส่งการบ้านเนี่ยบางทีก็มีอะไรโลดโผ น, นนะครับส่วนผมเนี่ยก็รู้สึกก็ก็อย่างที่รายงานไปก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปหรือเปล่าไม่ไม่ <ๆ S 1> คนค บ, บางคนมีบุญวาสนาจนะิตไม่โลดโผน จิตร้อนผลมากเวียนหัวนะกว่าจะรู้ทันมันนั้นหนีไปไหนเราก็ไม่รู <sk ud> <sk ud> ้นะพอนาเรียบเรียบง่ายสบายดูไปเรื่อยคอยรู้ทันกิเลสทุกอย่างนะแล้วก็เป็นกลางกับมันไม่หลงตามกิเลสไปในขณะเดียวกันไม่ใช่ไปเกลียดชังหาทางทําลายมันกิเลสเกิดขึ้นรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้นกิเลสหายไปรู้ว่าหายไปนะรู้อย่างที่เขาเป็นดูบ่อยๆดีแล้วละ สี่สิบสามสี่สบสาอยู่ไหนนั่งโต๊ะอี้อยู่นี่นะทางเก้าอี้กลับนมันสการค่ะคือลูกเพิ่งเริ่มปฏิบะะัติค่ะขออะไร<า>นะลูกเพิ่งเริ่มปฏิบัติค่ะขอคําชี้แ น, น ะ, ะอะไรปฏิบัตินะเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้ยินว่าเพิ่งเริ่กปฏิบัติเพิ่งเริ่มนะเออไม่เป็นไรเพิ่งเริ่มก็ดีแล้วเริ่มปฏิบัติเนี่ยต้องรู้ก่อนเราปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติทำนะเพื่อให้เห็นทำ เห็นความจริงอะ่ะนะธรรมะอยู่ที่กายเรียกรู ป, ปรธรรมธรรมะอยู่ที่ใจเป็นนามรธรรมเพราะั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานดูเล่นๆไปทําตัวเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายกินอาหารเห็นร่างกายขับถ่ายเราเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นไปเนะรื่อยฝึกตัวนี้บ่อยๆนะแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอา เาไปเบอร์44ขันมส ก, การหลวงพ่อครับนี้ตั้งใจมาจะขอลดกันบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็เพิ่งบอกไปนะใช้แทนกันได้ครับคอยรู้สึกตัวครับถ้าใจหนีไปเรารู้ทันนะอย่าให้หนีนานคอยรู้สึกบ่อยๆพอรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปร่างกายเราเคลื่อนไหวยังไงคอยรู้รู้สบายๆไม่ถึงขนาดต้องไปจ้องเอาไว้ โกรธเป็นไหมเป็นครับโกรธบ่อยไหมบ่อยครับต่อไปนี้นะใจโกรธขึ้นมาไม่ว่ามันดูเหมือนเหมือนเห็นคนอื่นโกรธเห็นเลยใจมันโกรธแล้วไม่ใช่เราโกรธนะใจมันโกรธเราเป็นคนดูะฝึกอย่างนี้เรื่อยๆเราก็จะเห็นเลยความโกรธก็อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเดี๋ยวกระทบอารมณ์อีกโกรธอีกโกรธแล้วก็เห็นเลยใจมันโกรธได้เองนะและความโกรธอยู่ชั่วคราวก็ไม่เจี่ยงก็หายไป เนี่ยเฝ้ารู้ของจริงที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นคราวๆ ร, รู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งใจมันก็ปิ๊งขึ้นมาว่าทุกอย่างเกิดระดับความสุขเกิดระดับความทุกข์เกิดระดับความโลภความโกรธความหลงเกิดระดับหมดเลยนะจิตแอบไปคิดหรื อ, อยังไปละครับเออให้รู้ทันแล้วก็คอยรู้ทันเอาลนะบกวนสอบถามหลวงพ่ออีกเรื่องหนึ่งครับลบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายคําว่าจิตตึงฐานหน่อยครับคุณเห็นจิตที่ไหลไปไหลมาไหม เ <c oughs> ถ้ารู้ทานจิตที่ไหลท่านเดี๋ยวมันถึงฐานของมันเองแหละส่วนมากมันไหลไปทําอะไรไหลไปคิดครับไหลไปคิดดีมากต่อไปนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไหลไปคิดไม่ใช่รู้แค่เรื่องที่มันคิดนะ <c oughs> รู้ว่ามันแอบไปคิดแล้วแค่รู้แค่นี้แหละมันจะเข้าฐานเองแหละ <c oughs> จิตที่ตั้งมัน่นจิตที่ถึงฐานก็คือจิตที่ไม่ไหลไปโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ไม่ไหลแต่ไม่ได้บังคับนั่นแหละจิตที่ถึงฐาน ไหลไปอีกอยังคิดอีกอยังคิดดีแล้วครับนะรู้ไปๆสังเกตไหมพอมันไปคิดพอเรารู้ทันนะใจมันตื่นมันโล่งขึ้นมานะมนใจแบบครับฮะมันตื่นขึ้นมาแบบๆนั่นแหละนะแบบๆนั่นแหละดีะจิตที่ตื่นแวบๆนั่นแหละจิตสงบจิตตั้งมั่นจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานบางทีก็มีความสุขปุดขึ้นมาด้วยบางทีก็อุเบกขาคิดมา ก, กงงๆเนาะ ร, รู้ว่าใจไปคิดไปแล้วขอเป็นคำขอร้อยแปดสิบสองครับป <18 2. S 2> ระสบการณ์หงพ่อครับเป็นยังไงสบายดีหรือสบายครับคือ <c ười> ฝึกปฏิบัติง่ายๆครับหลวงพ่อคือ <c ười> ฟังสีหลวงพ่อทุกวันเลยแล้วก็ดูจิตดู ก, กายกลางคืนก็นั่งสมาธิ นั่งได้บัางไปได้บัางก็แต่สภาพของมันนะครับเ อ, อ้นั่งได้ก็นั่งนั่งไม่ได้ก็นั่งก็ น, น, นั้นเองอเนาะครับเอ อ, อยากจะมาส่งกันบ้านหลวงพ่อนิดนึงครับผมคือมีอาการที่ว่าปฏิกรสระแห้งหลวงพ่ อ, อ, อแล้วก็โคศกเขางานเลี้ยงโคศกเข า, าพูดหัวเราะขณะที่หัวเราะอยู่เนี่ยเห็นตัวหนึ่งเห็นว่เห็นคนหัวเราะอยู่อาจารย์มันแยกออกมาแป๊บหนึ่งว่าเห็นคนหัวเราะอยู่เห็นตัวนี้มันหัวเราะใช่ไหมใช่ครับเออนั่นแหละดีขันมันแยกนะ เห็นแป๊บเดียวอาจารย์แล้วก็หายของจริงไม่เห็นบ่อยหรอกของดีมีน้อยแล้วก็มีอีกทีหนึ่งก็คือไขกุญแจอยู่ที่บ้านนะครับอะไรนะไขกุญแจบ้านอยู่นะครับได้กลิ่นได้กลิ่นกินนึงนะฮะแล้วสติบอกว่าสัญญารู้ว่านั่กลิ่นนั่นคือขี้หมาอืแล้วก็รู้ว่าเหม็นไม่ชอบอืแต่เห็นเป็นสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นตอนนะครับนาทีแรกอจมูกได้กลิ่น แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรเพราะจมูกรู้แต่กลิ่นจมูกไม่รู้ว่าคืออะไรใช่หไหมต่อมาสัญญาแปลว่าขี้หมาตอนที่สัญญาแปลว่าขี้หมาเนี่ยใจยังไม่ได้ปรุงว่าจะชอบไม่ชอบใช่หไหมอีกสเต็ปหนึ่งถึงเงี้ยมันสรุปไขี้หมาต้องไม่ดีอะใจขยะแขยงใจไม่ชอบ <c oughs> แล้วมากเขามากกว่านั้นต่อไปกลุ่มใจต่อไปโสงสัยพี่เหยียบมาแล้วเออนนพ้เนจิตตัวหนึ่งว่าหมดตรงที่ รู้กลิก่นขี้หมาก็หายไปครับตัดขาดไปเลยเดียแต่แต่อยากว่านั่นคือสติหรือเปล่าฮะนั่นคือใช่ใช่เป็นสติที่เห็นกระบวนการทํางานของจิตนั่นหมายความทุกวันที่อยู่นี่ไม่มีสติเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช <laughs> ่คือคือผมที่เดียนถามว่าสติจริงๆที่เกิดขึ้นคืออาการที่เห็นอย่างนั้นเป็นสเต็ปสเ็ปทุกขั้นตอนทุกเรื่องันั้นอันนั้นน่าเป็นสติที่เข้มแข็งมากนะครับเป็นสติที่เข้มแข็งและเห็นกระบวนการทํางานของมันเรียกว่าเห็นวิถีจิต นะวิธีอันนี้ขึ้นจากจมูกแต่ก่อนที่จิตจะไปรู้อารมณ์ที่จมูกจิตอยู่ในผวังนะแล้วมันมีกลิ่นแปลกปลอมมายั ua, นะ่วจิตออกจากผวังมาแล้วจิตก็เลยไปสนใจที่จมูกไปดมกลิ่นจิตไปดมกลิ่นที่แรกจิตรู้กลิ่นแต่ไม่มีการให้ค่าคนะก็เริ่มส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพอส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจเราแล้ ว, ลวเริ่มตีความอาศัยสัญญากลิ่นอย่างนี้คือขี้หมา ถัดจากนั้นก็จะเกิดการตัดสินใจแล้วชี้หมาเนี่ยไม่ดีให้ฆ่าเลยการนี้ดีไม่ดีแล้วคือโปฏิเนี่ยเวลาคนพูดไม่ถูกผิดถูกปุ๊บจะโกรธสันทีขึ้นมาเลยไม่เป็นแต่คนพูดไม่ถูกถูกหัวนะถูกใจเราใช่ไหมฮะเขาจะโกรธขึ้นมาเออไม่เห็นเป็นสเต็ปว่าได้ยินเสียงสัญญาณรู้ไม่มีเกิดนั่นเกิดขึ้นนะแต่เม่เกิดสัญญาณอย่างนี้เกิดขึ้นจะเห็นเป็นสเต็ปอย่างนั้นแหละต้องฝึกอย่างนี้บ่อยหรือเปล่าครับอาจารย์มันเป็นเองนะฝึกมีสติบ่อยๆเห็นเอง เราจะรู้ว่าในโลกไม่มีคนหรอกไม่มีขี้หมาด้วยเออทีเรียนถามว่าจิตตื่นหรือยังครับอาจารย์จิตเลยนะจิตตื่นหรือยังครับให้ไม่ตื่นไม่เห็นวิถีของจิตหรอกครับแต่ตื่นได้หลับได้นะครับตื่นเป็นคราวๆกลับขอบคุณครับอเบอร์เท่าไหร่ล่ะร้อยร้ห้าสิบเกเชิญกลับนมัสการหลวงพ่อค่ะมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะไกลไกล ได้ฝึกเพื่อนได้ให้ซีดีธรรมะของพ่อแล้วลูกก็ได้ฝึกค่ะฝึกจนสามารถเห็นธรรมแล้วก็เห็นอะไรนะเห็นธรรมมะค่ะออดีแล้วก็ไม่ไม่ค่อยยึดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ฟังยิ่งฟังก็ยิ่งไ ด, ไ ด, ได้ได้ปัญญาขึ้นเรื่อยๆค่ะที่ประสงค์มากราบหลวงพ่อด้วยตัวของตัวเองแล้วพาคุณแม่อายุ93สย่าง94้บ่ะาซึ่งตอนนี้ดูแลอยู่ รู้สึกว่าท่านจะหลงแล้วค่ะอืธรรมดานะค่ะแต่ก็ตัวลูกเองไม่มีปัญญาที่จะช่วยได้เพราะธรรมะที่พูดรู้สึกว่าคุณแม่ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะให้ถ้ า, ถ, าถ้าแม่ไม่เข้าใจธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งนะเราก็ลดระดับธรรมะลงมาเอาเท่าที่แม่ได้นะให้แม่คอยรู้ทันใจของตัวเองบ้าง นะหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้ให้หัดรู้ความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆหน่อยก็แล้วกันหรือไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ไหวจริงๆนะก็ชวนให้คิดแต่เรื่องดีๆชวนคุยเรื่องดีๆนะอย่างตอนที่คุณแม่ยังรู้เรื่องอยู่เคยไปทําความดีอะไรไว้อะไรเงี้ยเราพยายามพูดให้ฟังบ่อยๆให้เขาทบทวนบ่อยๆนะแค่นี้ก็ยังดีหละค่ะขอพบพระคุณกนะาบของคุณหลวงพ่อค่ะ เวลาให้ธรรมะกับคนเราก็เลือกนะเลือกให้พอเหมาะธรรมะมีหลายระดับคนไหนรับได้ระดับไหนได้รับนิดนิ ด, นดหน่อยหนก็ดีแล้วละดีกว่าไม่มีเลยนะดีอุตส่าห์ห่วงแม่สาธุเบอร้อยห้าร้อยห้าอยู่กลางห้องเลยเนี่ยส่งมาว่าไปกับธรรมาสุขการหลวงพ่อครับคือมีคําถามสั้นๆว่าหลังจากที่เคยทําเป็นแต่ดูในชีวิตประจําวันแล้วนานแล้วที่หลวงพ่อบอกว่า ให้พยายามไปลองทําสมถธิเพื่อเพิ่มกําลังแล้วก็หลังจากที่ลองไปมั่วๆซุ่มๆทําดูมาระยะหนึ่งก็เลยอยากจะมาถามหลวงพ่อดูว่ามันถูกหรือมันผิดยังไงบ้างจะได้แก้ไขครับจิตมีแรงขึ้นไหมจิตมีแรงขึ้นครับนะจิตมีแรงแล้วก็มาเดินปัญญาต่อเลยนะไม่ไม่ใช่มีแรงแล้วก็เลิกไปพอจิตมีแรงแล้วมาดูร่างกายเป็นของถูกรู้เวทนาเป็นของถูกรู้นะ กุศลอะกุศลถูกรู้หรือจิตเดี๋ยวก็วิ่งไปทางโน้นจิตวิ่งไปทางนี้คอยรู้ทันเดินปัญญาไปเลยครับมีแรงแล้วต้องเดินปัญญาแต่มันก็ยังขึ้นขลงลอันนี้ธรรมดาธรรมดาเป็นปกตินะวันนี้ทําไปจิตสงบอีกวันทําเหมือนเดิมไม่สงบเลยครับไม่เป็นไรไม่ว่ามันครับมีหน้าที่ทําเท่านั้นแหละส่วนผลจะเป็นยังไงช่างมันครับแล้วแล้วการปฏิบัติระหว่างที่จงกรมกับการนั่งเนี่ย ไม่เหมือนกันนี่ไม่เป็นไม่คือไม่นี่คือปกติใช่ไหมครับไม่เป็นไรแล้วแต่เราถนัดนะอย่างาจงทําอะไรแล้วสติเกิดบ่อยอ่อนนั้นแหละองั้นถ้าอย่างนั้นผมขอเรียนถามครับคือถ้าจงกลมเนี่ยผมก็จะรู้จงรู้การเดินของเท้าไปรู้ถึงท่าทางที่เดินรู้ถึงลมหายใจเข้าออกแล้วระหว่างนั้นเนี่ยพอมีความคิดแวบเข้ามาก็รู้แวบเข้ามาก็รู้ไปเรื่อยๆก็รู้ร ม, มันก็หายไปรู้ก็หายไปอ แต่สําหรับหลังจากนั้นเนี่ยพอมาถึงก่อนนอนผมก็จะนั่งสมาธิการ น, นั่งสมาธินี่ก็คือผมจะดูลมหายใจเข้าออกอแล้วรู้สึกถึงกรอบของร่างกายก็คือเปลือกของร่างกายเลียนอาภายนอกพอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหลือแต่เลียนเอาภายนอกอก็ลมก็บางทีลมก็หายไปแล้วก็จะเหลือแต่เหมือนมีแต่เปลือกนิ่งๆอยู่แต่ก็มียังยังมีสติรู้รูปเปลือกอยู่ยังรู้สึกอยู่ยังใช้ได้ครับคือแบบนี้ก็จะเห็นร่างกายเป็นโปรงครับ เป็นอย่างนั้นแหละได้ได้สมถะนะครับพอทําสมถะแล้วก็เดินปัญญาต่อไปเลยเห็นได้ร่างกายเนี้ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เลยนะถ้ามันไปรู้ตัวเห็นเป็นเปลือกโปร่ปงแล้วมันก็นิ่ ง, งๆเฉยๆรู้อยู่แค่ น, นพิจารณาเข้าไปเลยนะครับร่างกายนี้ไม่ใช่คนหรอกพิจารณาเข้าไปครับแสดงว่าการเดินจงกรมกับการนั่งไม่จําเป็นจะต้องเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับ จิตมันไม่เหมือนกันอนะตอนเดินอยู่จิตยังไม่เหมือนกันเลยครับนะมันมีแต่ของเปลี่ยนแปลงนะอย่างเราเดินจงกรมที่ว่าเรารู้กายบ้างรู้จิตบ้างนะก็สังเกตเอารู้สบายสบายหรือรู้แข็งแข็งทั้งมีทั้งสองอย่างเลยครับ อ, อนะถ้า ร, รู้เราวยังแข็งแข็งเนี่ยยังจงใจอยู่ไม่ค่อยดีครับครับส่วนที่เหลือก็มีแค่ว่าในรายละเอียดในชีวิตประจำวันอย่างบันที่จังหวะเดินกลับบ้านเราคิดคว่าเรารู้ตัวตลอด แต่ในที่รู้เนี่ยจะรู้สึกว่ามันมียิบยิบเล็กๆในช่วงวาที่รู้ตัวตลอดคือมันดับกระดับกระดับกระดับละเอียดทียิบตรงนั้นนะแม้ละเอียดกว่าวินาทีคืรื่องนั้นเวลาเห็นยิบยับอย่างนี้ยอย่าถลําลงไปดูนะถล่มครับถล่าไปแล้วนั่นแหละอย่าให้ถลําเข้าไปดูห่างๆครับเวลาที่รู้สภาวะอะไรก็ตามอย่าถล่าลงไปรู้นะให้รู้ด้วยใจตั้งมั่นอยู่ต่างหากเป็นคนดูสบายๆและในขณะเดียวกันก็ไม่บังคับว่าให้ตั้งมั่น เอาแค่ว่าถ้าถลํมลงไปรู้วม่อไรนะรู้ว่าถลํมก็ใช้ได้แล้วละ่ะถล่มแล้วรู้ว่าถล่มนะดีกว่ากลัวถล่มแล้วดึงน้อยเฉยๆแข็งแข็งอ่ะหมดแล้ววันนี้เชิญกลับบ้านได้